เรื่องเฮียโฮเจ้าพ่อโรงทานในงานบุญโดยเฮียโฮเฮียโฮเป็นคนดังของวัดป่าบ้านตาดัดบางคนถึงกับเรียกว่าผู้ใหญ่โฮเพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งเฮียโฮก็มีคุณลักษณะพร้อมมูลสมตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน คือหน้ามีริ้วรอยบ่งบอกวัยผมบางศรีรษะเถกสมวัยเยโฮถือวัดป่าบ้านตาดเป็นเสมือนบ้านที่สองเฮียโฮทำงานถวายหลวงตาด้วยใจศรัทธาเต็มเปี่ยมทำงานทุ่มเทชนิดที่กล่าวได้ว่ายอมไปตายเอาดาบหน้าเพราะเฮียโฮช่วยงานพระป่าช่วยชาติอย่างทุ่มสุดตัวสร้างวีรกรรมไว้มากมายในงานนี้ราวกับจะสะสมแต้มบุญไว้ให้เต็มที่เียโฮไม่ได้มีฐานะร่ารวยอะไร หาอยู่หากินไปวันๆตามแต่โอกาสจะอำหนวยพอมีงานพัะ ป, ป่าช่วยชาติเฮียโฮกับคณะก็รับหน้าที่แจกต้นพัะ ป, ป่าเฮียโฮพร้อมด้วยรถคู่ชีพกับเงินทองน้อยนิดที่พอมีติดตัวก็จะตระเวนไปทั่วประเทศเติมน้ำมันรถเองคณะทำงานส่วนมากเป็นผู้ถือสินแปดก็จะพักค้างที่วัดกินข้าววัดในตอนเช้าซึ่งก็มีให้บ้างไม่มีให้บ้างตามฐานะของแต่ละวัด ถ้าเช้าวันไหนวัดไม่มีข้าวให้กินก็จะอดไปด้วยกันทั้งคณะบางทีก็อดไปทั้งวันด้วยเพราะผู้ถือศีลแปดไม่กินอาหารหลังเที่ยงไปแล้วแต่ทุกคนก็เต็มใจหวังเอาบุญและบรารมีของหลวงตาเป็นที่พึ่งไม่กลัวอดไม่กลัวตายแม้หากต้องสิ้นใจตายไปก็มีบุญเป็นผืนธงทำคลุมร่างทุกคนจึงมุ่งสู่กระแสธรรมดำเนินตามรอยทางองค์หลวงตา คณะแจกต้นภาพป่าอันมีเฮลโฮเป็นผู้นำตั้งใจทำงานถวายหลวงตายอย่างเอาเป็นเอาตายโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากใดๆหาผู้ที่จะทุ่มเทยอย่างเสมอเหมือนได้ยากพวกเขาเหมือนมดงานที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับอาณาจักรของมันหมดงานที่โหมงานจนแม้ตัวตายกองร่างทิ้งทับถมไว้ก็จะมีมดงานรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่สืบพลังชีวิตต่อเนื่องไม่ขาดสายปากและขาเล็กๆที่เปราะบาง ทำหน้าที่เกี่ยวรัดต่อตัวทำเป็นสะพานชีวิตของมดเคลื่อนที่สุดจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้เมื่อปิดโครงการพระป่าช่วยชาติเกียโหฮก็หมดทั้งแรงกายและทั้งแรงเงินรถคู่ใจที่เป็นพาหนะพาคณะไปประกาศบอกบุญให้ผู้คนมาทอดพระป่ากับหลวงตาจอดตายหมดน้ำมันอยู่ที่วัดตัวเฮียโหฮเองก็เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในวัด พักอย่างเต็มที่ให้หายเหนื่อยกายและใจที่หมดเปลี่ยวแรงเอาเมื่องานเสร็จสมบูรณ์พระนนวัตป่าบ้านตาดท่านได้เฝ้าดูการทำงานของเฮียโฮตลอดมาและเป็นห่วงเฮียโฮกันทุกรูปนอกจากการช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์แล้วเฮียกวงแห่งโรงพิมพ์สินสยามผู้เป็นเพื่อนรุ่นอาวุโสก็คอยเป็นห่วงเป็นใยคอยเฝ้าตามดูแลเยโฮอยู่เสมอแม้เฮียกวงจะเอ่ยปากถามว่าจะให้ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง เยโฮก็ปิดป่ากสนิทเหยากวงจึงต้องใช้วิธีแอบดูเข็มวัดระดับน้ำมันรถเอาพอเห็นเข็มน้ำมันรถตกจนถึงขีดต่ำสุดเหยากวงก็ถือวิสาสะที่เป็นคนคุ้นเคยกันยื่นเงินให้ไปเติมน้ำมันเพื่อรถจะได้วิ่งออกไปบอกบุญต่อได้แถมยังพิมพ์ธงชาติและสิ่งพิมพ์อื่นๆไว้ประดับต้นพระป่าชั่วยอย่างเต็มที่ในระหว่างที่พักหมดแรงอยู่เหยโฮได้รับคำแนะนำจากพระในวัด ให้เปิดร้านค้าขายเพื่อเลี้ยงตัวเองทุกคนคิดอยากจะส่งเคราะห yeah, ์เอโหให้ฟื้นคืนสภาพขึ้นมายืนได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเยโฮแม่รับฟังคำแนะนำแล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉยอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเพราะไม่เชื่อแต่เพราะหมดท่าแล้วเงินทองไม่มีเหลือเลยพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเอโหเหลือแต่ตัวกับรถเก่าๆคันหนึ่งเท่านั้น ท่สุลานอาจารย์ประจวบและเฮียกวงร่วมกันเป็นหัวเรียร่ยวหัวแรงยื่นมือเข้าช่วยเหลือเฮียโฮได้ช่วยกันวิ่งจัดหาที่ทางให้ตั้งร้านขายกว๋วยเตี๋ยวและข้าวหมูแดงเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวผลบุญเริ่มหลั่งไหลเข้ามาจากพระและผู้มีใจบุญอีกทางหนึ่งเฮียโฮที่ตกอับจากพิเศรษฐกิจจึงค่อยๆพลิกฟื้นชีวิตที่สิ้นหวังขึ้นมาได้หลังจากนั้นราวกับธรรมะจัดสรรค์และเทวดาเกื้อหนุน เยโฮสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้เป็นลํำเป็นสรรมีกิจการทั้งขายหน้าร้านทั้งการจัดเลี้ยงโรงทานตามวัดต่างๆทั่วภาคอีสานเยโฮต้องเป็นหนึ่งในนั้นในงานครบรอบวันเกิดหลวงตาเมื่อวันที่12สิงหาคม2551ลูกศิษย์จัดงานบุญถวายหลวงตา มีผู้ร่วมศรัทธาว่าจ้างให้เฮียโฮจัดเลี้ยงผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาร่วมงานตั้งแต่เช้าเมื่อจรดเย็นโรงทานของเฮียโฮให้บริการก๋วยเตี๋ยวมีทั้งบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่หม้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่ขนาดต้มคนได้สองคนอย่างสบายๆและมีข้าวหมูแดงและข้าวขาหมูด้วยเฮียโฮจัดให้ได้หมดตามแต่เจ้าภาพต้องการลูกค้าต้องเข้าแถวรอรับบริการจากโรงทานของแกยาวจนออกมานอกถนนโดยไม่ต้องพึ่งม้านั่ง เพื่อรอกินเหมร้านในกรุงเทพที่ต้องนั่งรอโต๊ะว่า ง, ท, งทั้งที่ต้องเสียเงินลูกค้าของแกมีหมดทุกวัยทุกเพศมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนในงานวันนั้นมีนักเรียนมัธยมปลายทั้งชายและหญิงมาช่วยบริการลวกเส้นใส่หมูเครื่องปรุงแทนเโฮโ h o s เด็กๆได้ทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาชีพและทั้งเรียนรู้โดยธรรมชาติถึงธรรมะคือการให้ ต่างก็ยิ้มยิ้มแจ่มใสหยิบจัดเครื่องปรุงแต่งเติมก๋วยเตี๋ยวจนหน้าดูน่ากินส่งให้คนที่รอคิวอยู่ทั้งผู้เท่าผู้ยาวทั้งหลายได้ลิ้มรสอาหารจากฝีมือน้อยๆของพวกเขาเฮียโฮได้พักในช่วงที่มีเด็กนโรเรียนมาช่วยแกมองดูเด็กๆ ด, ด้วยความสุขใจที่เห็นพวกเขาให้ความช่วยเหลือด้วยใจพวกเขามุ่งทางานถวายหลวงตา เด็กทุกคนมาด้วยความสมัครใจในฐานะเด็กอุดรเมืองที่ได้รับความเมตตาจากหลวงตาท่านได้บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือเมืองอุดรของท่านเสมอมาไม่ว่าที่ใดที่ขาดคลนทุนทรัพย์จะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานีรถไฟสะพานลอยและอื่นๆหลวงตาท่านให้เมตตาช่วยเหลือทั้งสิ้นถ้าท่านเห็นสมควรในจังหวัดอุดรมีสิ่งปลูกสร้างที่ท่านอนุเคราะห์ไว้ถึง24แห่งและยังมีที่จังหวัดอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนไม่มีประมาณ เฮียโฮไม่รู้ตัวว่าแกได้ทำอาชีพที่โลกเขาเรียกว่าการจัดเลี้ยงหรือเคเทลิ่งจากสภาพที่เคยหมดแรงนอนสมอยู่กับพระที่วัดกลายเป็นเฮียโฮผู้รับทโรงทานหุนเวียนไปนทั่วจนไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปีนี่คือผลของการทุ่มเททำงานบุญถวายหลวงตาตลอดระยะเวลาของโครงการพระป่าช่วยชาติหากจะกล่าวว่าขณะนี้เยโฮกาลังเสวยผลบุญจากการที่ได้อุทิศตนช่วยงานหลวงตาก็ไม่น่าจะผิด อยใครจะเชื่ออย่างไรก็ตามเอยโฮแกก็ได้รับอนิสงค์ของผลบุญนั้นอย่างเต็มที่เยโฮที่ใครๆเคยรู้จักชื่อเสียงเกียรติคุณในเรื่องการทุ่มเททำบุญถวายหลวงตาในตอนนี้ทุกคนก็รู้จักเอเยโฮเพิ่มขึ้นในนามโฮเคเทอริง oh หรือโรงทานในงานบุญผมจึงเชื่อว่าบุญมีจริงบุญจะตอบสนองแก่พวกเราทั้งหลายผู้มีใจบริสุทธ ผู้ที่เชื่อว่าเทวดามีจริงและเทวดามาร่วมอนุโมทนาบุญกับงานบุญและกับพระอรหันต์แล้วนี่คือผลตอบแทนจากเทวดาที่ได้รับแรงบุญโดยการอนุโมทนากับท่านทั้งหลายเยโฮก็คงเช่นเดียวกันเพราะเอเยโฮเชื่อในบารมีของพระอรหันต์คือองค์หลวงตาซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันกับพวกเราทั้งหลายลงชื่อคุณหลวง